จะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองได้ก็เข้าไปศึกษาแต่ทุกวันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันแต่ก็มีแนวแถวที่จะต้องได้ศึกษาหลายๆอย่างอย่างเทปซีดีหนังสือธรรมะเหล่านี้ตลอดถึงพระไตรปิฎกก็เป็นหนทางที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาทั้งนั้น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 ออกไปยังไงก็ต้องมีผู้รู้เป็นผู้นำพาปฏิบัติออกไปอยู่สักครั้งหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ป่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ทำร้านอย่างนี้ทำทางใดยงกรมอย่างนี้ไปบินธบาติอย่างนี้ที่นั่งฉันทาอย่างนี้ไปอยู่บริเวณอย่างนี้ตรงไกรน้าอย่างนี้อาบน้าอย่างนี้ถี่ล้างน้าที่ฉันน้ำอย่างนี้เหล่านี้คือจะต้องได้ศึกษา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 ท่านพาดำเนินอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามแถวแนวที่เราได้ศึกษามาอันนี้ก็เหมือนกันในหลักโบราณเขาว่าเรียนตามพ่อเกราะกอ่กอตามครูไปว่าศึกษาตามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมานานท่านพาปฏิบัติอย่างไรเราก็ได้ศึกษา จากนั้นก็นำมาประพุทธปฏิบัติประปรุงแก้ไขการกระทาของเราอันนี้แปลว่าผู้มาศึกษาการศึกษากับครูบาอาจารย์แต่บางสิ่งบางอย่างในความเห็นของเราเราก็ไม่สนิทใจแต่ท่านพาทรเราก็เราก็ดูแต่ถ้าหว่าครูบาอาจารย์ที่เรายอมรับเคารพนับถือ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 ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วก็ขวางเอาแต่ทิฐิมานะของตัวเองเข้าไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ผู้เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาศึกษาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทิฏฐิมานะความเห็นของตนเอาไว้ก่อนอย่าไปขวางท่านแต่ถ้าว่าตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่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 แต่ทำท่าแข่งตัวหนึ่งแต่ไปย่อนอีกตัวหนึ่งไอ้ตอนที่มันย่อนตัวที่มันย่อนเป็นตัวที่สำคัญอีกต่างหากแต่ทำท่าแข่งไปทางอื่นแต่ว่าการย่อนปล่อยปาละเลยในการทุดถือทุรงในการเป็นอยู่ในการฉันชอบโมชอบคุยไม่มีเวลาเวลาเสิ่งเหล่านี้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 ว่าจิตใจของเราในช่วงนี้มันจาแย่จะต้องออกไปฝึกขัดขัดเกลาวตัวเองเอาอย่างเด็ดเดี่ยวไปภาวนาอย่างเดียวเพราะว่าเราจะต้องสู้กับใจตัวเองแล้วคราวนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดแต่ถ้าว่าเราไปแต่ครูบาอาจารย์วัดวาศาสนา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 ถ้าออกไปแล้วจะเสียไม่ควรออกไปถ้าออกไปก็เท่าเดิมอยู่ที่นี่ก็เท่าเดิมเมื่อออกไปก็ไม่คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นอันนั้นควรจะอยู่ออันนี้คือการอยู่กับครูบาอาจารย์ผมอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเวลายี่สิบสี่ปียี่บห้าปีอยู่กับหลวงตาสิบสามปี วัดปาบันตัดอยู่กับหลวงปู่แหวนพันศาหนึ่งอยู่หลวงปู่จามสองอยู่กับหลวงปู่ล่าเก้าให้พวกท่านทั้งหลายนับดูกันแล้วกันาการศึกษาหรือการเป็นการอยู่จึงได้ออกมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ในที่นี่ก็เถอกะก็ยังอยู่ในโอวาทมองครูบาอาจารย์มององค์หลวงตาที่เป็นแนวแถวที่ท่าน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 ท่านก็ไม่ได้ตั้งอุปถักท่านก็องไหนจะเข้ามาประฐากอุปถัมประฐากท่านก็อุปถักบางปีบางครั้งสัมมาเนนเป็นผู้เป็นผู้อุปถักท่านก็มีในพระไตรปิฎกแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่มีปัญหาท่านไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ บางครั้งพระพุทธองค์ก็ไปองค์เดียวบางครั้งก็ไปสององค์สามองค์บางทีก็เป็นเป็น500เป็นพันก็มีแต่ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ไปกับท่านเมคียะพระเมคิยะกับพระพุทธองค์ไปด้วยกันภาพเมคิยะเป็นผู้ทภายบาทพระพุทธเจ้าแต่ช่วงนั้นพระพุทธองค์ก็อายุขึ้นมีอายุมากขึ้นมาพอสมควรแล้ว ในดินในท่านจำไม่ผิดในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธองค์ได้สี่สิบห้าพันอายุสี่สิบห้าที่ท่านได้มีอุปถากอายุสี่สิบกว่าปีตีนี้ท่านเดินทางไปครับพเมกขิยะพอถึงทางไปถึงทางสองแพ่งพเมกขิยะก็คิดขึ้นมาในใจว่าพระพุทธองค์จะ เสด็จไปที่ไหนกุงสวัตถีกับผมเนี่ยอยากจะไปภาวนาที่ป่ามะม่วงอีกป่าหนึ่งเพราะสถานที่นั่นเป็นที่สงบสงัดดีกับผมอยากจะขอไปภาวนาที่นั่นไปถึงทางสองแผงพระพุทธองค์บอกว่าเมียะอย่ยาเลยเมียิยะเราตถาคตมีธุระที่จะไปโปรดหรือไปแสดงธรรมอยู่ในเมืองอี ก, อ, กอีกเมืองหนึ่ง ท่านไปส่งเราซะกอ่อนไปถึงที่นั่นแล้วท่านจัจะไปที่ไหนขท่านยค่อยไปแต่พระเมขียะบอกว่าข้าพระองค์อยากจะไปภาวนาที่นั่นเพราะัสถานที่นั่นสงบสงัดดีจับปายะพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะขอไปภาวนาที่นั่นจะไปปฏิบัติที่นั่นพระพุทธองค์แบบขอร้องหรือว่ากล่าว ย้ำถึงสองสามครั้งแต่พระเมขิยะก็ยังยืนยันพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมขิยะวางบริขารไว้ตรงนั้นแหละพระเมขิยะวางบริขารลงในทางสองแ่งจากนั้นก็เดินแยกไปพระพุทธองค์ก็ได้เอาบบริขารตะพายขึ้นบ่าเดินออกไปนี่แหละสาเหตุที่พระพุทธองค์ประกาศหาพุทธอุปถา จากนั้นพระเมฆคียะท่านก็ไปภาวนาไปสถานที่ป่ามะม่วงอย่างที่ท่านตั้งใจแต่พอไปภาวนาได้ชั่วระยะหนึ่งมันไม่ถึงชั่วระยะหลยไปถึงวันนั้นก็พอไปภาวนาแล้วความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นในใจทำไมพระพุทธองค์ไปองค์เดียวทาไมเราจึงมาภาวนาที่นี่ทำไมเราเราจึงทำอย่างนี้เราทำไมไม่ไปส่งพระพุทธเจ้าซะก่อน เราจึงทาไมเราจึงมีทิฏฐิมานะถึงขนาดนี้เราทําไมจึงมาอย่างนี้เราทําไมจึงเให้พระพุทธองค์ลําบากอย่างนั้นมันเมหิยะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาจะภาวนาได้อย่างไรจ๊เนีน่เพราะว่าการกระทําของ ต, ตัวเองไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ก็ตามไปกราบพระพุทธเจ้าไปกขอโทษขออภัยเพราะว่าข้าพระองค์ได้กระทาที่สิ่งนั้ไม่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ไม่เป็นไรเรื่องนั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ถือโทษโทษกรธเคืองแก่ใครทั้งหมดจากนั้นพระพุทธองค์เห็นว่าพระพุทธองค์มีอายุแล้วท่านก็ประกาศให้สงมาประชุมกัน มีพระโมกรามีพระสารีบุตรพระมหาเถระผู้ใหญ่เข้ามาพร้อมกันพระพุทธองค์ประกาศว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเข้าสู่วัยชราอายุของเรามากแล้วพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่ายังไงจะให้ตถาคต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 เมขิยะเขากอจะเดินจะไปภาวนาจะไปปฏิบัติในสถานที่อีกแห่งหนึ่งได้วางบริขารของเราลงในทางสองแผงจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ส่งเราตถาคตถึงที่ซะกอ่อนจะไปที่ไหนหรือ ว, ว่ามีผู้รับซะกอ่อนแต่นี้เมขิยะ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 ได้รับพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นสงฆ์ได้ก็คือด้วยความรักเคารพนับถือศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือตัวแทนพระธรรมคือคำสั่งสอนพระองค์สงเหล่านั้นก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติตามแนวแถวจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลทีนี้พอพระสงฆ์ได้ยินภาษาริบุตร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 เรื่องทั้งหลายต้องเป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่จะต้องดูแลพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยสาริบุตรยังไม่ใช่ท่านที่จะเป็นพุทธอุปถาเพราะท่านมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งกับเราตถาคตเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนกับคนกับท่านองค์อื่นแต่นี้พอพระ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 พระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดท่านมองเห็นแล้วว่าผู้ที่จะเป็นอุปถากนั้นคือใครเขาตั้งความปรารถนาไว้ในพระพุทธเจ้าองคกอ์ก่อนมีอยู่แล้วแต่นี้ก็คือเมื่อพระองค์พระสงฆ์ทั้งหลายแสดงความจำนงอย่างนั้นแต่พระอ น, นุ์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรแต่องค์อื่นแสดงความจำนง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 แต่พระ อ, อ น, นุนก็เฉยไม่ได้แสดงความจำนงอะไรพระสงฆ์ก็บอกว่าท่าน อ, อ น, นุ์ยังเหลือแต่ท่านที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงที่จะเป็นพุทธปะัะทาขอให้ท่าน อ, อ น, นุ์แสดงความจำนงเถอะครับผมพระ อ, อนน์ก็กราบพระพุทธองค์ขึ้นว่าถ้าหากว่าจะให้ข้าพระ อ, องค์เป็นพุทธปทาเนี่ย ข้าไปข้าพระ อ, องค์ต้องขอพอรจากพระพุทธเจ้าขอพอรแปดประการจากพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ประทานพรให้ข้าพระ อ, องค์จะเป็นจะเป็นผู้ดูแลจะเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ถามว่าอาน o ์ท่านที่ขอนั้นเป็นเรื่องอะไรแต่เนรลวงพ่อก็จาไม่ชัดเจน แต่ยกประเด็นมาเป็นเป็นบางประเด็นให้ฟังนะพระอนุนบอกว่าขอพระพุทธองค์อย่าให้อาหารอันปราณีตแก่ข้าพระองค์คืออาหารดีๆบางท่านจะอย่าให้อาหารปราณีตแก่ข้าพระองค์พระพุทธองค์ก็ถามว่าทําไมท่านจึงจึงจึงขอพรอย่างนี้เพราะว่าคนต่อไปภายภาคหน้า เขาจะดูถูกข้าพระองค์ได้ว่าที่ท่านอุปถามพระพุทธเจ้านี่ที่พระอนุลอุปถัมประถางพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดนเนี่ยพราะพระอานุ์อยากจะกินของดีพราะพระอนุลตะกะตการในอาหารเพราะนั้นข้าพระองค์ไม่จะไม่รับอาหารอันปรามีดที่จากพระพุทธองค์เออเอาต่อไปอย่าให้จีวรอันปราณีตแก่ข้าพระองค์ก็เหมือนกัน อย่านำข่าพระ อ, องค์ไปในเวียงในวังต่อไปภายภาคหน้าเขาจะว่าพระอนุนอยากจะมักใหญ่ไฟสูงอยากจะติดตามพระพุทธเจ้าไปในเวียงในวังโพด น, นั้นข่าพระ อ, องค์กลัวจะกลัวเขาจะพูดดูถูกเออเอาพูดไปเมื่อฆ่าพระ อ, องค์อยู่ตามลําพังเมื่อพระ อ, องค์เสด็จไปในสถานที่อื่น มีศรัทธาญาติโยมเข้ามากราบพระพุทธองค์แต่ไม่เจอแต่มาเจอข้าพระองค์บอกว่าท่านอานุ์พระพุทธองค์ไม่อยู่ข้าพระองค์จะมานมนพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่อยู่กระผมขอกราบพระพุทธเจ้ากราบปราธานพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแล้วไปฉันพัตาหารในเวียงในวังในวงศสกุลของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ พิจารณาดูแล้วเหมาะสมที่เขามานนมณ์นั้นกระผมจะรับรับไว้แต่เมื่อมาเมื่อรับไปแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมากระผมจะกราบบรรนาพระพุทธองค์พระพุทธองค์พระพุทธองค์งต้องรับที่ข้าพรองค์ที่ข้าพระองค์งได้ <c oughs> พิจารณาถูกต้องแล้วพระพองค์ต้องรับการนนมณ์นั้นจากข้าพระองค์อีก อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาญาติโยมเขามาหาข้าพระองค์เขาก็บอกว่าท่าน อ, อ น, นุนเน่ยใกล้พระเชษฐพระพุทธเจ้ากว่าจริงอยู่ไม่มีสิทธิ์มีส ม, มอะไรไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะกราบทูลพระพุทธเจ้าได้ขนาดให้กราบทูลพระพเจ้าก็งอไม่กล้าที่จะพูดพูดก็ไม่มีศัก์ศรีพระพุทธเจ้าก็าไม่ไม่เห็นความสําคัญอันนี้ข้าพระองค์ขอกาบประราสนาพระพุทธองค์ ไปตามที่ข้าพระ อ, องค์ได้รับในมนต์ไว้แล้วเออเอาว่าไปเมื่อพระพุท อ, องค์ไปแสดงธรรมอยู่ณสถานถิ่นใดเมื่อข่าพระ อ, องค์ไม่ได้ไปด้วยเมื่อแสดงธรรมมาแล้วพระพุทธ อ, องค์ขอให้แสดงธรรมแก่ข้าพระ อ, องค์ฟังอีกรอบหนึ่งว่าไปวันนี้เราไปพบคนนั้นเราได้แสดงธรรมบทนี้บทนี้บทนี้ให้เขาฟัง มาแสดงทําให้พระ อ, อ น, นุลอีกครอบหนึ่งฟังสะก่อนให้ข้าพระองค์ฟังเพราะเหตุว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อพระพุทธองค์ไม่มีแล้วเขาก็จะถามว่าอ น, นุลท่านอ น, นุลใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากวอย่างนั้นแหละพระพุทธองค์ไปเทศสนาชิดใดพระ อ, อ น, นุลก็ไม่รู้เรื่องถามเลยสิพออนนระพุทธองค์ไปเทศที่นั่นไม่รู้เรื่องเพราะนั้นข้าพระองค์จะเป็นที่ตําหนิเขา ต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพระพุทธองค์แสดงธรรมอยู่นะถิ่นใดที่ใดบุคคลใดกลับมาแล้วขอให้แสดงธรรมให้แก่ข้าพระองค์ฟังเอออว่าไปเมื่อข้าพระองค์คล่องใจในธรรมหรือหรือว่ามีความในใจในธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเรื่องอะไรก็าตาม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 อย่างที่เมืองโกสัมพีที่หลวงพ่อเคยพูดในเทป พ, พระสงฆ์ทะเลาะกันแตกเป็นสองฝ่ายเรื่องพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรตอนนั้นพระอานนท์ก็อยู่ในนั้นแต่ท่านไม่เอาพระอานนท์ไปด้วยคือส่วนลึกแล้วคือท่านอยากจะให้พระอานนท์เป็นผู้ประสานสองฝ่ายในเมื่อเขายอมแล้วไม่มีท่าไม่มีพระอานนท์เขาก็ไม่รู้จะทำํำไงเก๊กัน ก, กลางพ้นนสุกอายไม่กล้าที่จะทําอะไร ผลไดสูก็เลยแตกไปคนละทิศละทางแต่นี้เมื่อพระอนุนยังเป็นผู้ตัวเชื่อมได้อยู่พระพุทธองค์ก็เสด็จไปตามลำพังไปอยู่ที่อยู่กับช้างป่าเลไลาตามลำพังจากนั้นพระสงก็เห็นโทษเพราะศรัทธาญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรเขาไม่เคารพนับถือผลไดสูก็ยอมยอมกันเอง พอไม่มีอาหารจะฉันไม่ยอมได้ยังไงหเขาไม่ใส่บาตรเขาบอกว่าขนาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าแทๆ้ๆพระพุทธสอนพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกแทๆ้ๆยังไม่ฟังพวกเราจะใส่บาตรให้ฉันทําไมพระหัวดื้อเหล่านี้อพระจ่าโยมเขาไม่ใส่บาตรให้ฉันยอมโอ้อกเลยท่นเลยพรไม่ได้กินข้าวอพวกอาตมายอมละสัมมาคีกันแล้ว มีความเห็นปองดองกันแล้วอืมประกาศให้ญาติโยมทราบจากนั้นญาติโยมก็กรใส่บาดจากนั้นก็จะจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระานนท์บอกว่านี้ในพรรษาอยู่ออกพรรษาซะก่อนพระานนท์จะเป็นผู้พานํานะท่านก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันบริหารจัดการว่างั้นเ่อะอย่างนั้นพอออกพรรษาเสร็จแล้วพระานนท์ก็นําพระสงฆ์เหล่านั้นที่แตกเป็นสองฝ่ายนะไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์อยู่ตามลำพังสามเดือนสามเดือนกว่าในพรรษาออกพรรษาแล้วอยู่กับช้างเป็นผู้ประทากกับปลิงเท่านั้นลหละดูแลพระพุทธองค์นี่แหละตามที่การที่พระพุทธองค์มีความเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นพระพุทธองค์เป็นต้นาศาสนาเป็นต้นาศาสนาจึงเสียสละออกไปอยู่ตามลำพังขนาดนั้นอยู่กับช้างอยู่กับปลิง อันนี้เป็นการแสดงความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะที่ได้ยินได้ฟังเป็นพระเนะี่ยอย่าไปงอถ้าไม่หลูกถูกตามหลักธรรมนัยแล้วอย่าไปปวกเปียกอย่าไปอ่อนคอต้องเข้มแข็งพระพุทธเจ้าพาเข้มแข็งมาพอแรงเห็นไหมเป็นยังไงอยู่คนเดียวก็อยู่ตายเป็นตายเราไม่ต้อ ง, งพึ่งพึ่งหวังใครทั้งหมด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 สังขังสารานางคฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอระหันต์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดอย่างอื่นยึดพุทธทางทำมังสังขังสังขังเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งแล้วพวกเราจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขถึงจะอดถึงจะอิ่มถึงจะยากจนยังไงจิตใจของเราก็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 เขาเนียนทาก็ลมปากของเขาดูตัวเองอยู่เสมอเราในบกพ่องไหมถ้าเราบกพ่องเราก็ปรับปรุงแก้ไขการกระทำของเราให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าก็แสดงว่าเราเลว เ, เราก็ปรับปรุงให้ดีแต่ถ้าเราดีอยู่แล้วถึงเขาจะว่าชั่วช้าขนาดไหนเรามองตัวของเราเองเอ๊เราก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนตรงนั้นเขาพูดผิดแล้ว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 การกระทําสิ่งไหนต้องยึดแนวแถวหลักพระธรรมวินัยยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่ณสถานถิ่นใดก็ตามต้องยึดมั่นใน ห, หลักธรรมวินัยเป็นหลักหัวใจพวกเราจะมีความลมเย็นผาสุขอยู่ในใจไม่สะทกไม่สถานไม่หวั่นไหว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 ใจไม่ยึดไม่ยึดมั่นไม่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานแต่ถ้าว่าเรามุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเราบวชมาเพื่ออะไรเราบวชมาหวังอะไรเราบวชเข้ามาต้องการอะไรถ้าเราถามคําคำไหนเขาออกมาว่าเราต้องการมรรคผลนิพพานต้องการพระนิพพานเท่านั้นหัวใจของเราสิ่งอื่น เป็นขี้ปฏิวัตทั้งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราโมกหวังไปทางอื่นแล้วหวั่นไหวไกวแกว้งหาจุดยืนไม่ได้เป๋ไปเป๋ซ้ายเป๋วขวาเป๋หน้าเป๋หลังเพรานั้นอย่ให้เป็นอย่างนั้นการอยู่เป็นนักบวชนักพรตนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้มุ่งมั่นในหลักธรรมคําสั่งสอนแล้วก็ให้ภาวนา อยู่ณสถานถิ่นใดอยู่ตามลำพังพยายามเร่งความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาพิจารณาความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่หลงไม่ลืมตัวก็พร้อมการครมีสติการภาวนาในสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งถ้าว่าขาดสติเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละขาดการภาวนาความรุ่มหลงกิเลสมันจะลุมเข้ามาตีหัวใจของเราทันทีแต่ถ้าว่าเรามีสติอยู่ กิเลสหน้าไหนตัวไหนไมันจะเข้ามาเราก็รู้กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะตัวไหนเข้ามาเราก็มองได้เห็นได้เพราะเรามีสติอยู่เพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกหัดสติอันนี้คื อ, คอฝึกหัดสติให้เข้มแข็งในเมื่อเรามีสติดีแล้ว เราอยู่ในอริยาบทใดสติมันก็อยู่กับตัวของเราเราก็จะรู้เห็นได้ใจของเราไวาวันไหวควาย แ, วแงหรืออารมณ์ตัวไหนเข้ามาเราจะรู้ได้สิ่งอารมณ์ภายนอกเข้าขมากระทบเราก็รู้ได้หัวใจของเราไปกระทบสิ่งอื่นเราก็รู้ได้ทั้งภายนอกทั้งภายในตาไปเห็นเห็นรูปลูกเขาแสดงอาการอย่างไรเราก็รู้ได้ใจของเราไปวันไหวกับรูปที่เราเห็นเราก็รู้ได้ เพราะเรามีสตินี่แหละสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับนักปฏิบัติเพราะฉนั้นการฝึกสติทํำยังไงเดินโยงกรมขาขวาพุทธขาซ้ายถูกนั่งภาวนาอย่างไงกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกถูกนี่แหละวิกไทพิธีการที่พวกเราจะต้องเอาให้จริงจังจากนั้นเมื่อจิตสนบเป็นพื้นฐานพอสมควรนํามาพิจารณาทาง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 ยุปัจจุบันเขาบอกว่ากระดูกแข็งอาจจะอาจจะอาจจะถึงสามร้อยแต่นับทั้งกระดูกอ่อนเข้าไปด้วยอาจจะกว่าถึงจะกว่าหรือจะเท่านั้นก็เถอนะก็คือกระดูกเท่านั้นเองอันเดียวเท่านั้นแหละกระดูกถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็คือกระดูกเให้พิจารณากระดูกอันดับแรกกระโหลกศีรษะของเราเป็นยังไงกําหนดดูกระโหลกศีรษะของเราดูกระโหลกศีรษะแล้วกระโหลกมันเป็นยังไงอ มันเป็นตาโหมันมีจมูกวีกมันมีฟันมันมีขากันไกลเออมันติดกันยังไงให้เราไปเห็นถ้าเห็นกระดูกที่ไหนให้เราสังเกตกระดูกคอของเราไปยังไงกระดูกแขนของเราไปยังไงแขนขวาเปไ็นไงแขนซ้ายไปยังไงกระดูกข้อมือไปยังไงกระดูกนิ้วมือไปอยังไงแต่ละนิ้วมันเป็นยังไงจากนั้นย้อนเข้ามาถึงกระดูกอกกระดูกหายปลาะกระดูกสันหลัง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 พิจารณาลงไปพิจารณาขึ้นมานั่งอยู่ให้พิจารณาตั้งหลายตลบหลายๆายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวพิจารณาเห็นชัดเจนใจยอมรับว่าเรามีกระดูกไม่ค้างในเรามีโครงกระดูกไม่ค้างในเนี่ให้พิจารณาอยู่อย่างนั้นทบทวนอยู่อย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริง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 แต่อย่าให้มันออกไปนอกรูนอกทางอย่าให้คิดไปทางอื่นให้คิดอยู่ในกายนี่ให้มีสติอยู่ในกายให้มีสติในความคิดของเราตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกรกะโหลกศีรษะกะโหลกศีรษะจนถึงฝ่าเท้านี่อันนี้คือการพิจารณาวิปัสสนาจะว่าวิปัสสนาก็ใช่การพิจารณาอย่างนี้เลยว่าวิปัสสนาแยกแยะให้ดูร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นเมื่อเห็นร่างกายของเรา เป็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะต้องย้อนถมาถึงตัวใจของเราใครเป็นคนรู้ว่ากระดูกที่เราเห็นกระดูกนะั้นใครเป็นคนรู้ว่าสมมุติขึ้นมาว่าเป็นกระดูกใจใช่ไหมใจของเราลุ่มหลวงกับกระดูกใช่ไหมล่มหลงกับร่างกายใช่ไหมลุ่มหลวงกับผิวบางๆใช่ไหม ลุ่มหลงกับรูปร่างกลางตัวของหญิงของชายใช่ไหมเทนี้มันย้อนก็มาถึงตัวใจใจของเราเนี่เป็นตัวการถ้ามีสติขึ้นมาเมื่อพิจารณาแล้วมันจะหลงอะไรเออเหมือนกับเอาจับกระดูกของสองโครงมาสิกระดูกหญิงกับกระดูกชายเออมาละจับแขนกันเป็นไงเอามาจับใส่แขนกันนูสิเป็นไงกระดูกต่อกระดูกถ้าไม่มีเนื้อหนังถ้าไม่มี ใจเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงนั่นแหละมันมีแต่กระดูกเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนั้นกิเลสตัวไหนจะเข้ามาเหยียบย่ำหัวใจของเราได้กิเลสลาคะมันก็ไม่เกิดกิเลสโทสะไม่รู้จะโกรธไปทาไมกิเลสโมหะไม่รู้จะหลงไปเพื่ออะไรนี่ให้พิจารณาถึงตามสขยับคืออันดับแรกทาจิตให้สงบมีสติอันนี้คือสาคัญ เบื้องตน้นจากนั้นเมื่อจิตของเราเป็นพื้นฐานพิจารณายกตัวอย่างวันนี้พิจารณากระดูกแต่เราพิจารณาธาตุสีก็ได้พิจารณาสุภาษในส่วนร่างกายตับไตลำไส้อ่าอาการ32มม้ามหัวใจตับพังผืดสมองอะไรก็ได้แต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงจุดนั้นพูด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 ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้ถามใจของตัวเองในเมื่อถามใจตัวเองใจของเราเมื่อได้รับการซักฟอกในการเข้าใจแล้วจิตใจก็ต้องเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ทึดยึดมั่นถือมั่นก็ทั่งใจตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้คื อ, คอมันคือใจของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับมเมล็ดข้าว มันไม่ได้เข้าเปลือกถ้าเรากะเทาะออกซะแกะเปลือกมันออกมันมีแต่เข้าสารนะจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่ายังมันยังมีกระเปลือกอยู่มันยังมีเชื้ออยู่ในนั้นเออมันก็พร้อมที่จะเกิดได้อีกถ้าดินฟ้าอากาศเหมาะสมแต่ถ้าว่าเราแกะไปแล้วถึงจะดินฟ้าอากาศเหมาะสมยังไงมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุอะไร เพราะทำลายเชื้อมันหมดแล้วแกะกระเทาะเปลือกมันออกแล้วมีแต่ข้าวสารจะไปปลูกโรคภพิพระจันทร์ประเทศไหนวิทยาศาสตร์เก่งขนาดไหนไปปลูกถ้าปลูกข้าวสารมันไม่เกิดทั้งนั้นแหละอแต่มันก็ไม่ศูญมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี้ก็เหมือนกันนะั่นธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนํามาประพฤติธปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวาิจาัยใจของเราอีกสักวันหนึ่ง มักผลนิพพานเป็นของพวกเราทุกๆท่านเป็นอย่างอื่นและการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรเอาต่อนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะ